สนทนาปราัยกับเจ้าภาพจนได้เวลาอันสมควรแล้วท่านพระครูก็เอ่ยปากลาหรือตั้งใจจะไปแวะนำ้ำมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเศราก่อนต่อจากนั้นจึงจะไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณนายราศีที่วัดาธาตุทองคุณนายโสพิษ นิมนต์ให้ท่านสูงน้ำให้สดชื่นเบิกบานเสกก่อนเพราะจะต้องเดินทางอีกหลายชั่วโมงนายสมชายก็ถือโอกาสอาบน้ำอาบท่าเพื่อความกระปี้กระเป๋าจะได้ไม่ง่วงในขณะขับรถกว่าท่านพระครูจะขึ้นรถได้นายสมชายก็ต้องสตาร์ต ร, รอร่วมชั่วโมงเพราะเดี๋ยวคนโน้นเข้ามาถามคนนั้นเข้ามาคุยล่าลา ก, กันอยู่นั่นแล้ว พอคนนั้นลาคนโน้นก็เข้ามาคุยจนนายสมชายรู้สึกเวียนหัวข้างฝ่ายคุณนายโสภิตก็ยกมือไหว้ลาแล้วลาอีกจนนายสมชายอดรนทนไม่ได้ต้องลงไปสัพพยอกว่าหลุงพ่อผมสตาร์ทรถรอหมดน้ำมันไปครึ่งถังแล้วนะครับนั่นแหละท่านจึงขึ้นไปนั่งในรถคู่กับคนขับโดยมีหลานชายของคุณนายโสภิต เป็นผู้เปิดปิดประตูให้ท่านไขกระจกลงกล่าวคำล่ำลากกับพวกเขาอีกอาตมาไปน่ายมนะอย่าลืมไปเที่ยววัดป่ามะม่วงบ้างละ่ะข้าหลวงพ่อวันหลังฉันจะขอไปเข้ากรรมาฐานจะได้เหาะได้อย่างพี่โสพิษน้องสาวคุณนายโสพิษว่า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 จะเห็นหน้ากันอีกครั้งก็คงตกค่ำของวันรุ่งขึ้นคิดถึงคิดถึงคิดถึงคันนึงหาเขาแอบครวนเพลงอยู่ในใจท่านพระครูเปิดโอกาสให้เขาคิดคำหนึ่งอย่างอิสระด้วยการไม่ชวนคุยท่านนั่งหลับตาไปตลอดทางกระทั่งรถเล่นเข้ามาจอดที่ลานจอดรถวัดพระพุทธโสธร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 ถ้าอยากจะรู้แต่ก็อดถามไม่ได้สักทีกปากมันเคยนะครับเขาพูดพลางอ้อมมาเปิดประตูให้ท่านลงจากรถและเดินตามท่านเข้าไปในวิหารที่สถิตรพระพุทธโสธรซื้อดอกไม้ทูบเทียนทองถวายท่านและให้ตัวเองด้วยท่านพระครูเขาเ้าไปกราบน้ำมสการพระพุทธ ร, รูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดฉะเชิงเราเสร็จแล้ว จึงเดินกลับมาขึ้นรถสั่งคนขับว่าประเดียวแวะซื้อกรยาศาสตร์ร้านข้างทางไปฝากญาติโยมเข้าหน่อยญาติโยมที่ท่านพูดถึงได้แก่พระลูกวัดแม่ทีแม่ครัวตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่มาเข้ากรรมฐานไปไหนมาไหนท่านมักจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากพวกเขาเสมอเสมอ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 เป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าเป็นพุทธานุสติส่วนความศักดิ์สิทธิ์เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันแล้วหลวงพ่อโสธรท่านมีเทพสิงสถิตยอยู่กี่องค์ครับสิบหกองพระพุทธชินราชกับหลวงพ่อวัดไร่ขิง ก็มีเทพสิงสถิตหลายองค์เทพเหล่านี้เป็นสัมมาทิทิหรือที่เรียกว่าพวกเทวดาตรงส่วนพวกเทวดาผ่านไม่ชอบอยู่กับพระเพราะคุณธรรมไม่มีพวกนี้จะเกลียดพระด้วยซ้ำก็เหมือนมนุษย์พวกที่ทำบาปทำชั่วเป็นอาจิน พวกนี้จะไม่นับถือพระเห็นพระแล้วก็ไม่ลื่อมใสบางคนมีอาการคลื่นไส้ด้วยซ้ำฉันเคยรู้จักคนหนึ่งชื่อนายบุญช่วยหมอนี่เข้าวัดก็อาจเจียนเห็นพระก็คลื่นไส้เลยเกลียดวัดเกลียดพระฉันก็เลยมาวิจัยดูว่า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 ยังไม่ถึงเวลาอย่าลืมว่ากรรมมันก็ทำหน้าที่เหมือนม้วนเทปบันทึกเสียงนั่นแหละเมื่อถึงเวลาก็จะให้ผลเองโดยอัตโนมัติเหมือนการหมุนของม้วนเทปแล้วในบุญช่วยคนนี้เป็นคนเดียวกับที่หลวงพ่อเวี้ยงกระจกหมอดูห ล, ลงแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเปล่าครับไม่ใช่ คนละคนแต่บังเอิญชื่อไปพ้องกันแม้พูดก็พูดเธอครับหลวงพ่อตั้งแต่ผมรู้จักคนชื่อนี้มากี่คนกี่คนก็หาดีไม่ได้สักคนอย่างในบุญช่วยที่อยู่บ้านเหนือวัดนั่นก็ลักเล็กขโมยน้อยเป็นอาจินจนชาวบ้านเขาเบื่อนายถ้าผมมีลูกรับรองไม่ให้ชื่อนี้เด็ดขาดชายหนุ่มว่าจะชื่ออะไรไม่สําคัญหรอก สำคัญที่ตัวคนตังหากละ่ะคนจะดีจะเลวอยู่ที่การกระทําไม่ได้อยู่ที่ชื่อคนชื่อบุญแต่ทำบาปก็ต้องได้บาปอยู่วันยังคำ่ำหรือถ้าเกิดมีคนชื่อนายบาปแต่เขาทำบุญเขาก็ได้บุญเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์ ส่วนนายบุญกลับต้องไปอบายไปทุกขติท่านพระครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างให้คนเป็นสิทธิ์ฟังหลวงพ่อครับสวดอภิธรรมศพคุณนายราศีเริ่มกี่ทุ่มครับนายสมชายเปลี่ยนเรื่องถามทุ่มตรงเธอถามทำไมเพื่อไปถึงก่อนงานเริ่มเราไม่เกอ้อแย่หรือครับ เขาแสดงอาการปริวิตรกเพราะขณะนั้นเพิ่งจะสี่โมงเย็นอีกชั่วโมงเศษก็จะถึงกรุงเทพเรื่องนั้นเธออย่าได้กังวลไปเลยประเดียวถึงกรุงเทพเธอพาฉันไปเสาชิงช้าฉันจะไปหาซื้อผ้าไตรซักซองสำรับเอาไว้ช่วยวันเผาศพเจนวลสีสำรับหนึ่ง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 เธอห่วงอะไรท่านแกล้งย้อนถามผมก็ไม่ห่วงอะไรหรอกครับถ้าจะห่วงก็ห่วงหลวงพ่อนั่นแหละกลัวว่าจะเหนื่อยเกินไปขาว่าอย่าเอาฉันมาอ้างเลยหน้าเธอกลัวจะไม่ได้เห็นหน้าสาวบ้านเหนือตังหะทำใจเสดเธอสมชายเอ้ยวันนี้ยังไงยังไงก็ไม่ได้พบกันฉันรู้ แล้วก็ยังรู้ด้วยว่าเธอจะไม่ถึงกับขาดใจวายปราณไปเสกก่อนหรอกดวงยังไม่ถึงขาดท่านพูดอย่างรู้เท่าทันฝ่ายนั้นจึงออกไปข้างๆขู่ๆว่าครับดวงอย่างผมอายุยืนว่าจะอยู่ไปสัก250หิปีค่อยตายเง้นหรือนี่มนต์ตามสบายนะส่วนฉันอีกสี่ปีก็ขอลา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 ผมไหว่ละพูดพร้อมกับยกมือไหว้ผมถามจริงๆเธอครับว่าเมื่อกี้หลวงพ่อพูดอะไรหลวงพ่อพูดเล่นใช่ไหมครับผมไม่สบายใจเลยที่ได้ยินนั่นเพราะเธอเป็นคนไม่ยอมรับความจริงน่ะสิเอาละไหนไหนฉันก็เผลอพูดออกไปแล้วก็จะบอกให้เธอรู้ไว้เส้นเลยเธอฟังแล้วก็จำไว้นะว่าวันที่ส4สี่ตุลาคม 2,521 ฉันจะประสบอุบัติเหตุรถคว่มคอหักตายตอนเที่ยง45นาทีกฎแห่งกรรมบอกอย่างนั้นได้ยินท่านพูดนายสมชายถึงกับร้องไห้ด้วยความโธมนัดเข้าเอามือปาดน้ำตาแล้วถามท่านว่าทำไมหลวงพ่อจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยล่ะครับ นี่ถ้าผมไม่ได้ยินจากปากหลุงพ่อเองผมไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะกรรมสิสมชายเอ้ยกรรมบันดาลให้ฉันต้องเป็นอย่างนั้นท่านตอบสิ่งเรียบกรรมอะไรครับผมเห็นหลุงพ่อทำแต่กรรมดีตอนทำกรรมชั่วเธอไม่เห็นนะสิดูเหมือนเธอจะยังไม่เกิดด้วยมั้ง ตอนชั้นอายุ1213ฉชั้นฆ่านกตายเป็นร้อยร้อยนกกระสายิงมันลงมาแล้วก็หักคอมันซ้ำอีกหรือครับแต่นั่นมันตอนเด็กหลวงพ่อยังไม่ทันรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษตอนนี้หลวงพ่อบวชแล้วแล้วก็เป็นผู้วิเศษอีกด้วยผมว่าไม่น่าจะต้องไปรับกรรมถึงปานนั้นถ้าชั้นเป็นผู้วิเศษ อย่างที่เธอว่าก็ดีน่ะสิแต่บังเอิญฉันไม่ได้เป็นเพราะฉะ น, นั้นก็เลยต้องรับกรรมไปตามระเบียบอ๋อแต่ถึงจะเป็นผู้วิเศษก็ใช่ว่าจะหนีกรรมพ้นหรอกนะดูอย่างพระโมกคลานะท่านเป็นผู้วิเศษขนาดเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ยังถูกโจรทุบ จนกระดูกแหลกเป็นเมล็ดข้าวสารหักเพราะฉะนั้นเธอจงเข้าใจซิใหม่ให้ถูกต้องว่าผู้วิเศษก็ต้องดใช้กมเหมือนกันเอาละทำใจให้สบายแล้วก็ออกรถได้ประเดียวจะไม่ทันงานแล้วก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะอย่าบอกใครเป็นอันขาดโดยเฉพาะเจ้าขุนทองฉันรำคาญ ประเดี๋ยวมันก็มาทําวิทวาดกระตูวูใส่ชั้นท่านนึกเห็นภาพของหลานชายหากเขาทราบเรื่องนี้ลุงพ่อเคยบอกเรื่องนี้กับใครหรือยังครับก็เพิ่บอกพระบูเหียวเป็นคนแรกเธอเป็นคนที่สองเอาไว้เวลานั้นใกล้เข้ามาจึงจะบอกคนอื่นๆมันจําเป็นต้องบอกนะฉันจะได้ข อ, อโอโหสิกรรมจากเขา ขณะเดียวกันก็จะได้ขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือฉันเช่นญาติโยมที่นำข้าวของเงินทองมาช่วยเป็นค่าน้ำค่าไฟและค่าอาหารเป็นต้นลุงพ่อไม่มีทางแก้ไขอย่างอื่นเลยหรือครับหรืออย่างน้อยก็ต่อเวลาไปอีกสักสิบปียี่สิบปีลุงพ่อน่าจะต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรได้ผมรู้ว่าลุงพ่อทาได้ นายสมชายยังไม่ยอมยุติเรื่องที่กาลังสนทนายอยู่สมชายเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วท่านพระครูสั่งแม้จะด้วยสิ่งที่ราบเรียบหากชายหนุ่มก็รู้ว่าต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเขาจึงหยุดพูดแต่ไม่ได้หยุดคิดคิดข้องใจสงสัยไปตลอดทางเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องกรรมดีและกรรมชั่ว คิดแล้วคิดเล่าเฝ้าแต่คิดก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ในที่สุดเลยเปลี่ยนมาคิดถึงสาวบ้านเหนือแทนเพราะสบายใจกว่านายสมชายนำท่านพระครูมาส่งที่ร้านสังคพันธ์แห่งหนึ่งย่านสาวชิงช้าและตัวเขาก็ไปหาที่จอดรถท่านพระครูเดินเข้าไปในร้านคนขายอายุประมาณ40เสเศษรีบเข้ามาต้อนรับ นิมนต์ครับหลวงพ่อมีอะไรจะให้ผมรับใช้เขายกเก้าอี้มาให้ท่านนั่งพลางหันไปสั่งลูกจ้างให้นำน้ำชาร้อนๆมาถวายอาตมาอยากจะซื้อผ้าไตรสักสองสำรับเอาสีกลักชนิดที่เนื้อดีที่สุดราคาแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรท่านสั่งปกติแล้วของที่จะให้แก่ผู้อื่นนั้น ท่านจะต้องเลือกชนิดดีที่สุดแต่สําหรับตัวท่านเองแล้วอะไรก็ได้แล้วแต่ญาติโยมเขาถวายหลวงพ่อใช้เองหรือครับคนขายถามอย่างสงสัยเพราะพระจะไม่ซื้อผ้าไตร่สําหรับตัวเองแต่พระสมัยนี้มักไม่ค่อยเคร่งสักเท่าไหร่หลวงพ่อรูปนี้ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นด้วยไม่ใช่รอกโยมอาตมา จะเอาไปช่วยงานศพเขาอาตมาไม่เคยซื้อผ้าไตรจีวรให้ตัวเองฟังคำพูดของท่านเจ้าของร้านก็เกิดศรัทธาจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นผมขอร่วมทําบุญด้วยนะครับผมจะขายให้หลวงพ่อหนึ่งสำรับส่วนอีกหนึ่งสำรับผมถวายเพื่อร่วมทําบุญกับหลวงพ่อชายวัย0ี่สิบเศษแสดงความจำนง ถึงอย่างไรเขาก็ไม่ขาดทุนเพราะได้บวกกำไรไว้เท่ากับราคาต้นทุนหากเป็นความประสงค์ของโยงอาตมาก็ขออนุโมทนาคงไม่คิดว่าอาตมามาเรี่อยอไรนะเงินทองอาตมาก็เตรียมมาพร้อมไม่ชอบรบกวนใครท่านรีพูดออกตัวเพื่อกันการเข้าใจผิด ผมไม่ถือเป็นการรบกวนหรอกครับนานๆผมจะเจอพระอย่างหลวงพ่อสักครั้งคนที่เป็นพระเท่าที่ผมเห็นและรู้จักท่านเอาแต่รับลูกเดียวแต่หลวงพ่อกลับเป็นผู้ให้แถมเลือกของดีที่สุดให้อีกด้วยผมศรัทธาหลวงพ่อจริ ง, รงๆครับเขาพูดพร้อมกับนำผ้าไตรสองสำรับมาใส่ถุงกระดาษให้ท่านพอดีกับนายสมชายเดินเข้ามาจึงรับของมาถือไว้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 แบงร้อยเป็นฟ้อนเลยพระสมัยนี้ดูยากนะครับเท่าแก่ลูกจ้างว่านั่นสิโอ้ถึงศรัทธาถวายท่านไปสำรับหนึ่งทำบุญกับพระแบบนี้ถึงจะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยการจราจรในกรุงเทพติดขัดจนนายสมชายนึกรำคาญหากเขาก็สามารถนำท่านพระครูมาถึงวัดธาตุทองเวลาหนึ่งทุ่มพอดิพอดี พันเอกประวิทย์และคุณนายคนใหม่เข้ามาต้อนรับรู้สึกตกใจที่เห็นท่านมาท่านคงพบข่าวจากหนังสือพิมพ์แต่ทาไมจึงรู้ว่าตั้งศพที่วัดนี้หรือว่ามีใครไปบอกท่านคนทั้งสองต่างสงสัยนิมนครับหลวงพ่อเป็นพระคุณอย่างสูงที่กรุณามาทำไมหลวงพ่อจึงทราบว่าอยู่วัดนี้คะคุณนายคนใหม่ถามอย่างไม่อาจเก็บความสงสัยไว้ได้ หลอนแต่งชุดดำและตีหน้าเศร้าทว่าในตาทั้งคู่จ่าจรัสเหมือนว่าอินดีปรีดาเสนักที่หมดเสี้ยนหนามนายสมชายพอจะดูออกว่าผู้หญิงคนนี้มีท่าทางพิรุษเลยพานสงสัยว่าหลอนอาจจะเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังก็ได้ลุงพ่อคงทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับท่านเอกประวิทย์ถามบ้างเขาอยู่ในชุดกางเกงสีดาเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูก넥ไทยสีเดียวกับกางเกงอัตมารู้เพราะคุณนายราสีเขาไปลาคืนก่อนตายเขาไปลาด้วยตนเองแต่ที่รู้ว่าอยู่วัดนี้อัตมาคิดเอาเองคำตอบของท่านพระครูทำให้คุณนายคนใหม่หน่าถอดสีแสดงว่าเขารู้ตัวว่าจะตายหรือคะ ลันถามถูกแล้วและเขาก็รู้ด้วยว่าใครยิงเขาพัญญาคนใหม่ของพันเอกประวิทย์หน้าซีดจนเห็นได้ชัดกลั้นใจถามออกไปว่าใครยิงเขาคะเรื่องนี้อาตมาบอกโยมไม่ได้รอกเพราะได้รับปากเขาไว้แล้วว่าจะปิดเป็นความลับแต่เขาก็อโหสิให้นะ เขาบอกว่าเมื่อชาติก่อนเขาฆ่าคนคนนี้ไว้มาชาตินี้เลยต้องถูกเขาฆ่าจะจริงหรือไม่จริงอาตมาเป็นสงไม่ขอออกความเห็นใดๆทั้งสิน้นท่านพูดเพื่อให้คนฟังสบายใจแล้วคนยิงจะถูกจับได้ไหมคะคงไม่ได้มั้ง ก็เขาว่าเขาเอโหสิกรรมให้แล้วก็คงไม่จองเวรจองกรรมกันคำตอบของท่านพระครูทำให้สตรีวัยสี่สิบค่อยหายใจโล่งอกหล่อนรีบขอตัวไปรับแขกอีกทางหนึ่งท่านพระครูบอกให้นายสมชายนำถุงใส่ผ้าไตรมาให้ท่านส่งถุงให้พันเอกประวิทย์แล้วพูดว่าผู้พันวันเผาศก อาตมาคงมาไม่ได้ฝากผาาไตรไว้ถวายพระด้วยสำรับหนึ่งอาตมาขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้คุณนายราศีด้วยพันเอกวัยสี่สิยื่นมือมารับภาาไตรด้วยอาการสั่นนิดนิดรู้สึกปิติจนน้ำตาคลอหน่วยตาทั้งสองและเมื่อลูกชายหญิงเดินจูงมือกันเข้ามา กราบท่านพระครูเขารู้สึกรันทดจนน้ำตาไหลหลวงตาจำเราสองคนได้ไหมคะเราเป็นลูกของคุณแม่ราศีค่ะเด็กหญิงพูดจำได้จ้ะหนูหลวงตาขอแสดงความเสียใจด้วยนะที่คุณแม่หนูมาด่วนจากไปแต่เขาสบายแล้วเขาบอกหลวงตาเองหนูสองคน ไม่ต้องเป็นห่วงเขานะจ๊ะคุณแม่อยู่บนสวรรค์ใช่ไหมครับหลวงตาเด็กชายถามบ้างจ๊ะหนูสองคนต้องมันทำความดีนะจ๊ะจะได้ไปอยู่กับคุณแม่คุณแม่รอเราสองคนอยู่บนสวรรค์ที่ไม่คัดหลวงตาถูกแล้วจ้ะหนูคุณนายคนใหม่ มองมาเห็นลูกเลี้ยงกำลังคุยกับท่านพระครูอยู่ก็ให้นึกหมันไส้ด้วยมีจิตฤุสยาเป็นทุนเดิมอยู่จึงเดินเข้ามาเอ็ดว่าเธอสองคนมากวนพระกุณเจ้าอยู่ได้ออกไปเด็กก็อยู่ส่วนเด็กสิพันเอกประวิทย์เริ่มมองเห็นภัยที่กำลังจะมาถึงลูกน้อยทั้งสองรู้สึกเสียใจที่คิดผิดไม่น่าพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับสตรีผู้นี้เลย ความหายนะคงจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้เมื่อถูกแม่เลี้ยงดุเด็กทั้งสองจึงกราบท่านพระครูแล้วพากันลุกออกไปเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไม่ได้พูดว่ากระไรเพราะหากท่านพูดเข้าข้างเด็กก็รังแต่จะให้คนเป็นแม่เลี้ยงเกิดความจริงชังหนูน้อยทั้งสองมากขึ้นทางที่ดีก็ต้องใช้คถาตาดูหูฟังปากนิ่ง นายสมชายขับรถพาท่านพระครูมาถึงวัดป่ามะม่วงก่อนเวลาสองยามสักสินาทีเคาะประตูเรียกอยู่นานนายขุนทองจึงสลึมสลือลุกขึ้นมาเปิดให้แล้วรีบกลับเข้าไปนอนทิ้งหน้าที่การปิดประตูไว้ให้นายสมชายทำท่านพระครูอยากจะถามเรื่องการสวดอภิธรรมศพเจนวนสีว่าเรียบร้อยดีหรือไม่ก็มีอันไม่ได้ถามท่านคิดว่า พรุ่งนี้ก็คงจะรู้พระมหาบุญคงทำหน้าที่ของท่านได้อย่างเรียบร้อยเหมือนเช่นเคย